ช่วงหลายวันที่ผ่านมาพวกเราก็ได้มีโอกาสดีนได้ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านได้พูดถึงหลวงพ่อของเราซึ่งหลายท่านก็พูดในแง่ ม, มุมที่แตกต่างกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอันนี้รวมถึงมุมมองของ ลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านในช่วงระยะหลังๆก็คงทำให้ได้เห็นหลวงพ่อในมุมที่หลากหลายแล้วก็รอบด้านมากขึ้นหลวงพ่อคำเขียนถ้าจะเลือกไปแล้วนี่ก็เรียกว่าท่านครบเครื่องทีเดียวนะ ในเรื่องทางธรรมนี่ก็เรียกครบเครื่องแล้วก็ไม่ใช่แต่ในเรื่องทางธรรมเรื่องทางโลกด้วยท่านให้ความสำคัญทั้งในเรื่องธรรมแล้วก็เรื่องโลกเรื่องธรรมนี่ก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าท่านอุทิศตนเพื่อการสอนธรรมะมาตลอด 40-47 ปีนะที่ได้บวชได้ครองสมณเพศ ในเรื่องทางโลกท่านก็ไม่นิ่งดูได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยทำให้ชมุมชนก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้านทําไฝ้ไยหวานเนี่ยก็เรียกว่าท่านนี้วางพื้นฐานในหลายเรื่องมาแม้กระทั่งถนนหนทางถนนที่ตีกันเป็น เป็นตาหมากรุกเนี่ยนะก็เป็นผลงานของท่านทําตั้งแต่สมัยที่ทํามาไฟหวานก็ยังเป็นหมู่บ้านยังไม่เป็นตนําบลนะพวกเราถ้ามาคุณสังเกตว่าบ้านทํามาไฟหวานนี้เหมือนก็มีการวางผังเมืองมานานแล้วนะอันนี้ก็เป็นผลงานของท่านท่านก็เห็นการไกลก็อ่า ตัดถนนให้มันเป็นตามักรุกตรงแบบในเมืองเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็ทำให้การสัญจรสะดวกท่านทำเรื่องศูนย์เด็กอันนี้ก็เป็นที่รู้กันพูดกันมาหลายครั้งทำเรื่องสหกรณ์ข้าวเพื่อช่วยเหลือชาว บ, บ้านที่ต้องซื้อข้าวราคาแพงก็หาข้าว ซือมายเยอะๆลดค่าขนส่งค่ามันจะถูกไปได้ท่า น, นทุ่มเทเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติรักษาป่านะือประโยชน์ของญาติโยมด้วยนะไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของพระสงฆ์หรือชาววัดเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องทางโลกนะที่หลวงพ่อท่านไม่ได้ อ่านิ่งดูได้ท่า น, นใส่ใจท่านถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนท่านก็ได้มุ่งฝึกฝนตนนะจนเรียกว่าไม่มีทุกข์อะไรที่จะมาบีบขั้นท่านได้เรียกว่าไกลจากความทุกข์ แล้วก็ไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะก็ยังทำประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านนี่ก็มีทางการสอนธรรมะให้กับผู้คนนะให้ได้เห็นเหมือนอย่างท่านแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาได้ลืมตาอาปากได้กินอิ่มนอนอุ่นอันนี้เป็นเป็นงานของอ ของชาวพุทธเราก็ว่าได้นะเพราะเวลาพูดถึงประโยชน์แล้วเนี่ยก็ต้องใส่ใจทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านบางคนนะก็อาจก็ใส่ใจแต่ประโยชน์ตนนะแต่ว่ามองข้ามประโยชน์ท่านแต่บางหลายคนก็สนใจแต่ประโยชน์ท่านแต่ว่าลืมประโยชน์ตนทํางานช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความทุกข์ เสร็จแล้วก็ท้อทแท้หรือไม่ก็เลิกกลางคันเพราะว่าทนไม่ไหวท้อทแท้ลุงพ่อเคยพูดอยู่เสมอว่างานของท่านเนี่ยล้มเหลวแต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวางานล้มเหลวก็หมายความว่าที่จะช่วยชาวบ้านให้ เขาไม่มีนี่ไม่มีสินเขาเปลี่ยนวิธีชีวิตเปลี่ยนการผลิตจากการปลูกมันเพื่อขายมาเป็นการผลิตเพื่อบริโภคปลูกผักนะมีเหลือค่อยเอาไปขายอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือชาวบ้านท่านก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่พื้นที่ตรงนี้นะท่านเคย ทำเป็นพุทธเกษตรให้ชาวบ้านมาทำเกษตรผสมปรสานมาปลูกผักจะได้เอาไว้กินกันไม่ต้องไปซื้อนะจะกินส้มตำนะก็ไม่ต้องไปซื้อนะก็ทําเองมีเมาล็ดองมาปลูกมีพริกแต่ก็ทําให้สําเร็จชาวบ้านก็ซื้อมาแล้ก็ชาวบ้านก็ซื้อพริกอันนี้เลยว่างานท่านไม่สําเร็จท่าน การทีย่ภัว่าล้มเหลวนะแต่ว่าตัวทําไม่ล้มเหลวตัวทําไม่ล้มเหลวนี่หมายถึงว่าท่าไม่รู้สึกหวั่นไหวไปกับองานการที่ล้มเหลวไปด้วยเพราะว่าได้เข้าถึงประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ตนนี้จิตใจก็มั่นคงนะปล่อยวางหรือจะหมายอาจจะหมายความอีกแก น, นก็ได้ว่าไอนะงานเพื่อคนอื่นเนี่ยถ้าล้มเหลวแต่งานเพื่อตนเอง นะไม่ล้มเหลวสำเร็จแล้วน ะ, ะรครับที่พวกเรางานส่วนตนก็ยังต้องทําต่อไปนะแล้วก็อาจจะล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ไดนะ้ไม่ใช่แต่งานภายนอกล้มเหลวหรือบางคนงานภายนอกอาจจะไม่ล้มเหลวนะแต่ว่างานส่วนตนอาจจะล้มเหลวก็ได้ คือแบกความทุกข์ไวนะ้เป็นวันเป็นคืนทอแท้กราดเกลีกยวนะหรือว่าหมดหมองอันนี้เรียกว่าตัวเองล้มเหลวนะถึงแม้ว่างานจะไม่ล้มเหลวก็ตามแต่ที่จริงแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าตัวเองล้มเหลวแล้วเนี่ยงานมันก็ล้มเหลวตามไปด้วยแต่งานล้มเหลวแต่ตัวเองไม่ล้มเหลวนี้มันเป็นไปได้ หลวงพ่อท่านก็ทำทั้งสองอย่างนะ ท, งทั้งทางธรรมและทางโลกทั้งงานประโยชน์ตนประโยชน์ท่านที่จริงคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะมีทั้งสองอย่าง2ด้านครบถ้วนปัจจิยว่าของพระองค์ก็เป็นไปเพื่อถึงพร้อมให้เกิดความถึงพร้อมทั้งประโยชน์ตนแล้วก็นำไปสู่การทำประโยชน์ท่าน คำสอนของพระองค์ก็มีทั้งทางธรรมที่ลึกซึ้งและรวมถึงทางโลกพระพุทธเจ้าสอนแม้กระทั่งว่าวิธีการทำมาหากินวิธีการทำมาค้าขายจะทำอย่างไรท้าไม่ได้สอนแค่เรื่องการพ้นทุกข์นะพ้นจากวตาสงสารเท่านั้นแต่แม้กระทั่งการทำมาหากินการค้าขายควรทำอย่างไรได้เงินมาแล้วควรจะเก็บ อย่างไรใช้อย่างไรการทําให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนทําอย่างไรหรือแม้กระทั่งการบริโภคเพื่อจะไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าไม่อ้วนจนเป็นภาระอย่างพระเจ้าปเสนทิโกศนนี่ก็ได้อันนี้สองส่วนนี้จากคําสอนของพระุทธเจ้ามากเพราะพระเจ้าปเสนทิโกศนนี่ร่างกายเรียกว่า ทวนทวนจนกระทั่งขยันขยับก็ลาบากจะกราบจะไหวก็ไม่สะดวกพระเจ้าก็ให้คําแนะนําไปนะว่าให้มีสติอยู่ทุกเมื่อรู้จักประมาณในการบริโภคก็จะเป็นผู้มีเวทนาเบาบางแก่ช้าและอายุยืนอันนี้ก็เรียกเป็นประโยชน์ทั้งโลกล้วนๆนะเวทนาเบาบางแก่ช้าอายุยืนเนี่ยซึ่งคนคใครๆก็อยากได้พระเจ้าประเสริฐที่กุศลอ่ะ ก็ให้มหาเล็กท่องคาถานี้ไว้แล้วก็สาธยายให้ฟังเวลาท่านเสวยอาหารก็รากว่าทำให้ลดการกินได้น้อยกินได้น้อยลงไม่เห็นแก่การกินสุขภาพก็ดีขึ้นแล้วก็เลยไปสารเสริมพระพุทธเจ้าวาเนียว่าเกื้อกูลทั้งประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์เบื้องหน้าคือทิฏฐธรมมิกถะและสัมไิกถะ ประยปัจจุบันคือประย่ยวท์ทางโลกนั่นแหละสอนพระอิษฐคือประโยชน์ทางทรรประโยวน์ทางจิตใจซึ่งรวมถึงปรมาติ ด, ด้วยหลวงพ่อนะท่านไม่เพียงแต่พูดหรือสอนนะแต่ว่าเป็นให้เราดูนะอยู่ให้เราเห็นและท่านก็ยังทำด้วยนะ ทำในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะแต่รวมถึงการทำอย่างอื่นด้วยทํานท ำ, ท, ำทั้งเรื่องภายในและก็เรื่องภายนอกเรื่องภายในนะท่านก็ทำจนเรียกว่าวางใจได้ไม่มีความทุกข์เรื่องภายนอกท่านก็ทำอย่างต่อเ น, นื่องให้เราเห็น ทำทั้งเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เรื่องที่หยาบเรื่องที่ละเอียดคือเรื่องของจิตใจเรื่องที่หยาบก็เรื่องของอสิ่งของเข้าของต่างๆคนที่รู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่แรกๆเนี่ยสมัยหนุ่มก็จะพูดตรงกันว่าหลวงพ่อท่านเป็นช่างท่านเป็นช่างช่างก่อสร้างช่างสร้างบ้านสร้างกุฏิก็าอาศัยท่านเป็นกาลัง ในเรื่องการสร้างกุตินะของหมู่สงฆ์ที่เป็นลูกสิษย์หลวงพ่อเทียนหรือแม้กระทั่งการทํากรดนะธรรมะก็ยังโชคดีที่ได้มาทันเห็นหลวงพ่อได้เห็นฝีมือการทํากรดของหลวงพ่อนะว่างๆท่านาปลูกป่าลดตน้นลดน้ำต้นไม้ท่านก็มามาเหลาไม้นะมาทําซี่กรด ตรงเนี่ยตรงบนข้างบนศาลาใหญ่หรือศาลาหน้าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีช่องเก็บเครื่องมือของท่านเครื่องมือสำคัญสำคัญทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องงานช่างค้อนสิวนะสว่านก็จะอยู่ในช่องนั้นเนี่ยพวกเราบางทีก็เอาเอาของเอาเครื่องมือนั้นมาใช้งานบ้างแต่หลวงพวกก่อก็ท่านก็ใช้ เครื่องมือเรานั้นแหละในการทากรดนะ้วทำกรดได้สวยสมัยก่อนกรดมันไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆท่านทากดเล็กๆแล้วก็เบานะเป็นกดทีนะ่เหมาะกับนะการพบ ก, การสอพายเาเรียกว่าท่าน ร, รอบด้านมากทีเดียวครบเครื่องนะเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฝีไม้ฝีมือนะ หรือแม้กระทั่งการแต่งกลอนแต่งเพลงนะท่านก็เคยทําไม้จะเป็นงานสอนงาน <c oughs> งานช่างนี่ท่านรู้รอบหมดครบเครื่องมากเรื่องการสอนธรรมา ก, ก็เหมือนกันนะท่านก็ไม่ได้สอนแต่เฉพาะเรื่องเรื่องพ้นโลกเรื่องโล ก, กุตตระนะหรือเพื่อที่จะเข้าถึงความไม่เป็นอะไรกับอะไร เรื่องบุญเรื่องกุศลพื้นๆท่านก็สอนสมัยที่อยู่กับชาวบ้านใหม่ๆที่นี่แล้วก็ที่ิทำเอาไฟท่านก็ไม่ได้สอนอะไรที่มันสูงเกินความเข้าใจชาวบ้านสอนเรื่องบุญเรื่องบาบนี่แหละสอนเรื่องพิธีกรรมที่ไม่งมงายสอนเรื่องพื้นฐานตอนนั้นก็คงได้ค่าคนจบปริญญาเอกกันนะมาสอ น, นอนุบาล เคยเห็นหลวงพ่อให้รูปหลวงพ่อสอนเด็กสองสาขวบมาสามสี่ขวบสอนกอไก่ขาไข่ไม่มีภาพอยู่นะในหนังสือรู้ซื่ อ, อจบปริญญาเอกน่ามาสอนอนุบาล น, นะหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นสอนชาวบ้านก็เหมือนกับสอนอนุบาล น, นะเริ่มตั้งแต่เรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องบุญบาปคืออะไรนะไอจัดงานสพแล้วมากินเหล้าเล่นการพ น, นันในวัดอันนั้นไม่ได้บุญ หรือว่าจัด ง, งานศพแต่ว่ามีหมอลศพมากมายนะเลี้ยงเล่ากันอันนั้นไม่ได้บุญท่านสอนแม้กระทั่งเรื่องพื้นฐานแบบนี้ซึ่งพวกเรานี่ยคงจะเลยไปเลยพ้นจุดนั้นไปนานแล้วแต่ท่านก็ยังต้องมาสอนเรื่องแบบนี้สอนตั้งแต่เรื่องพื้นฐานจนถึงเรื่องสูงสุดนะขั้นปรมัทตย์ เพียงแต่ระยะหลังท่านก็ไม่ได้สอนชาวบ้านแบบนั้นละเพราะว่าชาวบ้านก็เริ่มจะหูตาสว่างอย่างน้อยก็รู้ว่าทานศีลมันคืออะไรเห็นโทษอเบายาียมุกนี้จึงเรียกว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่ว่าครบเครื่องมากนะีทั้งโลกและทำทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทั้งงานภายนอกงานภายในทั้งสอนทั้งพูดทั้งธทำแล้วก็เป็นให้ดูอยู่ให้เห็น ทำมาก็สอนทุกระดับตั้งแต่ตั้งแต่นะหนึห่งไปจนถึง1นะินะหรือ1จนหรือึไปจนถึงร0อยเนื้อหาได้ยากมากแล้วเพราะความคลบเครื่องแบบนี้เนี่ยก็มีน้อยคนที่จะมองเห็นได้ครบด้านครบทุกด้านของหลวงพ่อนะก็จะเห็นไปคนละด้านคนละแง่นะมัน ก, ก็เห็นท่านเออท่านเป็นพระนักพัฒนานะพระนักอนุรักษ์ก็เห็นเท่านั้น ไเห็นอีกด้านหนึ่งของหลวงพ่อท่านก็เป็นอาจารย์กรรมฐานอย่างอาตมานี่ตอนที่มารู้จักหลวงพ่อครั้งแรกก็เห็นแต่ในแง่เดียวนะเห็นว่าท่านเป็นพระที่ส่งคราะห์พัฒนาชุมชนก็ทํางานช่วยเหลือท่านมาเป็นปีนะก็ยังไม่รู้นะว่าท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานเพราะว่าท่าน เวลาพูดธรรมะก็พูดนะทั่วๆไปท่านไม่ยัดเยียดท่านไม่มามายัดเยียดมาบังคับให้เรามาปฏิบัติท่านก็พูดเท่าที่เราจะารับรู้ได้คือไม่ใช่เป็นคนที่แสดงตัวว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็สอนธรรมะนะจนกว่าเราจะสนใจสอบถามแต่ว่าท่านจะไม่ไปยัดเยียดจะไม่มาบังคับ ไม่มาจ้ำจี้จ้ำชัยไปพยายามขัดฝืนความรู้สึกของเราต่อเมื่ อ, อได้มาเห็นได้มารู้จักคนมากขึ้นก็รู้โอ้ท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานนะคุณนบนี่มาบวชที่นี่พรรษา25ก็ก่อนศึกก็ไปกรุงเทพก็ได้สนทนากันปลายปี25ซึ่งเป็นช่วงที่ตมาตั้งใจว่าจะบวชพอดี คุณนบมาพระนบตอนนั้นก็บอกว่าเนี่ยได้มาบวชได้มาปฏิบัติบุญหลวงพ่อแล้วก็ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากเพราะตอนนั้นก่อนนั้นนี่เรียกว่าฟุ้งมากเลยเกิดจะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนแต่ตอนหลังก็กลับมารู้สึกตัวก็เลยรู้ว่าโหลวงพ่อท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานด้วยนะก็เลยตัดสินใจว่าจะทาบวชแล้วจะไปอยู่กับท่านส่วนคนที่ มาเรียนกรรมาทางคุณหลวงพ่อหลายคนก็ไม่รู้นะมาท่านเนี่ยก็เคยได้รับท่านก็สนใจเรื่องงานพัฒนาเรื่องงานชุมชนเรื่องงานอนุรักษ์ป่าหรือว่าได้มาเห็นไม่ได้มารู้ว่าท่านเนี่ยมีความสามารถทางช่างนะทางทางมือไม้มากเวลาเห็นความรอบด้านของหลวงพ่อที่ท่านทําทั้งงานภายนอกงานภายในงานใหญ่งานและงานละเอียด เ, ยเนี่ย ถ้าไม่นึกถึงคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นคาถาที่ว่าชาวนาขน้ำเข้านาช่างธนูดัดลูกศรช่างไม้ก็ถักไม้ส่วนบัณฑิตฝึกตนหลวงพ่อเป็นทั้งหมดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเลยเป็นทั้งชาวนาที่เคยขายน้ำเข้านาเป็นทั้งเป็นทั้งช่างไม้ที่สามารถจ ะ, ะทำให้ไม้นี่มันมีคุณค่ามีประโยชน์ เพียงแต่ไม่อาจจะไม่ถึงกับเป็นช่างธนูนะแต่เรื่องจอบเรื่องเสียมนี่ท่านถนัดมากแล้วก็ท่านก็เป็นบัณฑิตฝึกตนด้วยท่านเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกข้างนอกและข้างในทั้งสิ่งของที่ไม่มีชีวิตแล้วก็คนที่มีจิตใจแต่ความร่ดรวยของท่านแล้ก็ไม่มีคนจะเห็นได้ทั่วถึงเพราะว่าท่านก็ไม่ค่อยได้แสดงออกเท่าไหร่ แล้วก็มันก็เป็นยุคเป็นยุคด้วยพอถึงยุคหนึ่งท่าก็เลิกนะเรื่องงานช่างเรื่องการทำกรดอะไรต่างๆก็คนที่มาเรียนกับท่านรุ่นหลังก็ไม่เห็นละนะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่เราสามารถเจริญรู้ได้จากท่านโนะดยเพพาะเรื่องทางโลกทางธรรมเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเรื่องงานภายนอกงานภายในนะพราพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นแหละนะมันเป็นความรอบด้านที่ทำให้ เกิดประโยชน์สุขทั้งในระดับพื้นฐานคือระดับกายนะระดับความสัมพันธ์คือศีลแล้วก็ลงลงไปถึงจิตใจคือสมาธิและปัญญาประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ต้องไปควบคู่กันไม่แยกกันเรื่องสังคมชุมชนธรรมะธรรมชาติ3อย่างนี้ก็เชื่อมโยงกันแล้วหลวงพ่อท่านก็ากางกระทำของท่านก็ชี้ใ้เห็นความเชื่อมโยงทั้งชุมชนทั้งธรรมชาติและธรรมะ ไม่ได้แยกขาดจากกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านเห็นว่างานกรรมฐานเป็นเรื่องสํำคัญที่สุดท่านก็เคยพูดบ่อยๆว่าเนี่ยอาชีพของท่า น, นก็คืออาชีพกรรมฐานแต่ท่านไม่เรียกตัวเองว่าเป็นอาจารย์กรรมฐานท่านไม่ค่อยเรียกตัวเองอย่างนั้นเท่าไหร่แต่ท่านเพียงแต่ว่าอาชีพนั่นก็คืออาจารย์ก็คือการสอนกรรมฐานแในอาชีพนี้เนี่ยเมื่อนึกถึงอาชีพนี้หรือเมื่อ อมันคงในชีวนี้เนี่ยท่านก็จะนึกถึงหลวงพ่อเทียนอยู่เสมอเพราะว่าหลวงพ่อเทียนนีเน่เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเราก็ทําให้ท่านนี่ได้พบสิ่งที่มนุษย์ควรจะรู้หลวงพ่อท่านเคยบอกว่าถ้าท่านได้มาไม่มาทางนี้หรือไม่รู้ธรรมเนี่ยก็ตายไปนานแล้ว เพราะว่าตอนเป็นคารวานี้เจ็บป่วยเพราะว่าท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังมา ก, อยาก ม, ากอยากมั่งอย่างมีอยากร่ารวยเหมือนกว่าคนอื่นใครทำได้เท่าไหร่ท่านก็ตั้งใจหรือมุ่งมั่นจะทำให้ได้มากกว่านั้นชาวบ้านเ้าเกี่ยวข้าววันละห้าสิกองท่านบอกว่าท่านจะต้องทำให้ได้ร้อยกองหรือว่าจิตใจนี้จริงจังมุ่งมัน่นเอาชนะให้ได้ แต่ว่าก็ทำให้เจ็บป่วยในการที่ได้มารู้ธรรมได้มาเส้นทางนี้ทำให้ท่านได้ไม่เพียงแต่มีอายุยืนมาถึงจนกระทั่งเมื่อทิศทีแล้วเท่านั้นนะแต่ว่าก็ยังมีความสุขนะความทุกข์เบาบางแล้วก็ใช้ธรรมะที่ได้เรียนจากหลวงพ่อเทียนนี่แหละนะในการ ดำรงชีวิตแม้กระทั่งในยามเจ็บยามป่วยช่วงที่ท่านป่วยท่านก็บันทึกแล้วเขียนเกี่ยวกับหลวงพ่อเทียนอยู่บ่อยๆนะคราวหนึ่งท่านเล่าวันนี้ตอนนี้กินอะไรก็ไม่ได้แล้วปากไม่รับรู้รสแล้วรับอาหารทางสายอย่างไม่รู้รสชาติทั้งสิ้นนะปากคอ ใช้เลยไม่ได้กินพูดไม่ได้ก็คงเหลือแต่ธรรมะที่ได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเทียนสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้จากหลวงพ่อเทียนนี้ก็ช่วยตลอด49ปีมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วท่านก็ก็จะพูดอีกหลายอีกหลายครั้งฝากฝังให้พวกเราเนี่ยได้ศึกษานะ ได้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อเทียนได้สอนช่วงชรการหนักๆ น, น, นี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนนะมีทำนําพาไม่มีวันตายอันที่ไม่มีวันตายเนี่ยก็เพราะไม่มีการเกิดการเป็นอะไรกับอะไรก็คือการตยังเกิดคือเกิดพบเกิดชาติ เกิดความสําคัญแม่มาว่าฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่นี่ก็เรียกเกิดแล้วหรือมีความสึกว่ามีตัวฉันเกิดเมื่อไหร่ก็ต้องมีตายไม่ช้าก็เร็วหรือว่าเมื่อมีพบชายก็ต้องมีชารามรณะแต่ถ้าไม่เกิดแล้วก็ไม่มีตายนันท่านจะพูดถึงหลวงพ่อเทียนอยู่หลายครั้งหลายโอกาสมากในช่วงที่ท่านอ า, าพาธ มีเป็นผู้ที่มีความสำนึกในบุคุณของครูบาอาจารย์มากจะเรียกว่าท่านเป็นเศรษมีครูก็ได้นะท่านสำนึกอยู่เสมอว่าท่านเป็นเศรษมีครูครูสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าแต่ครูที่เปลี่ยนชีวิตท่านอย่างมากคือหลวงพ่อเทียนแล้วก็มีคนเดียวแล้วพวกเราหลายคนก็ไม่มีโอกาสที่จะได้พบได้สัมผัสได้ฟังธรรมจากป่าของหลวงพ่อเทียน แต่พวกเราก็โชคดีนะที่ได้มาได้มาเรียนได้มาศึกษาได้มาเห็นแบบอย่างแล้วก็ได้รับคําชี้นําชี้แนะจากหลวงพ่อคําเขียนจากว่าเราสํานึกในคําสอนของหลวงพ่อเนี่ยก็ยถือว่าเราเนีเป็นศิษย์มีครูคําว่าศิษย์มีครูนี่เป็นคําที่มีความหมายมากทีเดียวนะ แค่สามคำแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากในแง่หนึ่มันหมายถึงความกตัญญูรู้คุณเวลาใครพูดว่าฉันไม่สิบมีครูเนี่ยคือว่าเขามีความกตัญญูรู้คุณในครูบาอาจารย์สำนึกในบุญคุณที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเวลาพูดคํำนี้เกิดความภาคภูมิใจว่าในฉันไม่ใช่เป็นคนเปล่าเปลือนยนะฉันเป็นคนมีครูเป็นคนมีรากนะแล้วขณะเดียวกันก็ มันเป็นการย้ำเตือนให้ตระหนักถึงหน้าที่ที่จะมีต่อครูบาอาจารย์รวมทั้งการไม่ใช่เพียงแค่อุปถักปฏิบัติวัดถากเท่านั้นนะหรือว่าการดูแลท่านในทางภายนอกแต่มาถึงการปฏิบัตินะตามคำสอนของท่าน เมื่อใดก็ตามที่เรากล่าวว่าเนี่ยฉันไม่สิทธ์มีครูเนี่ยนะหมายถึงว่าเราตั้งใจนะที่จะทําตามคําสอนของท่านปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านได้สอนเอาไว้หรือได้ทําเป็นแบบอย่างเมื่อใดก็ตามที่ปล่อยปากละเลยนะไม่ทําตามหรือทําสวนทางกับที่ครูได้สอนเอาไว้ก็จะรู้สึกละอายใจ แต่เมื่อใดก็ตามที่ได้ทำตามที่ท่านสอนก็จะเกิดความภาคภูมิใจเกิดความอบอุ่นใจเราจะมีความรู้สึกลึกๆว่าเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ได้มาปกปักรักษาให้นะพวกเรานีได้ตระหนักว่าเราโชคดีนะที่เราเป็นศิษย์มีครนะูครูสูงสุดก็คือพระบรมศาสตร์สดานะแต่ว่าพระพุทธนั้น อยู่ไกลเกินกว่าที่เราจะรู้เห็นได้ด้วยตาสัมผัสได้ด้วยใจเลยเพราะถ้ายังไม่ถึงธรรมนี้ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้านะผู้ใดที่เห็นธรรมนั่นแหละถึงจะเห็นพระองค์แล้วใครที่ยังไม่ได้เห็นธรรมขนาดนั้นก็ไม่ได้เห็นพระองค์แต่ว่ากลับหลวงพ่อคเขียน เราโชคดีที่ได้มีโอกาสได้เห็นด้วยตาเนื้อได้ยินด้วยหูว่าท่านสอนอะไรและถ้าเราได้ปฏิบัติตามก็ย่อมต้องมีตาในนะที่จะเห็นจิตเห็นใจของตัวเองแล้วก็ได้รับอนิสงส์แห่งการปฏิบัติตามที่ท่านได้สอนได้ชี้แนะได้ทำเป็นแบบอย่างาเมื่อ น, นั้นเราก็ย่อมเกิดความทราบซึ้งในบุญคุณของท่าน แล้วเกิดความภาคภูมิใจแล้วเกิดความมั่นคงว่าถ้าจริงท่านก็ไม่ได้อยู่ไหนเลยนะก็เสถติดอยู่ในใจของเรารูปร่างสรีระนั้นเป็นเป็นส่วนภายนอกนะที่ย่อมมีวันเน่าเปื่อยไปก่อนที่จะเน่าเปื่อยก็แก่ชารานะไม่สามารถบังคับเปลี่ยนไปลตามใจได้ แต่นั่นเป็นเป็นส่วนเปลือกนอกนะส่วนที่เป็นแก่นแท้นะคือแก่นธรรมนั่นเองที่เราสามารถจะสร้างให้เกิดมีขึ้นได้แล้วถามว่าเราตระหนักถึงความเป็นสิทธิ์มีครูของเราเนี่ยเราก็จะไม่ไม่นิ่งดูได้นะจะต้องพากเพียนพยายาม ทำตามที่ท่านสอนนะเพราะว่าท่านได้ทุ่มเทให้กับเราแล้วเราจะปล่อยปะแล้วเลยนิ่งดูได้และเฉยเนือยได้อย่างไรเพราะควา ม, มเป็นศิษย์มีครูมกระตุ้นทําให้เราเนี่ยเกิดความเพียรจะไม่ให้ะจะไมะ่จะไม่เป็นการเสื่อมเกียรติของท่านนะหากว่าท่านนะ มารับรู้นะสามารถจะรับรู้ได้ท่านก็จะได้เกิดความภาคภูมิใจนะในในตัวเราถึงแม้เราอาจจะไม่สามารถเป็นอภิชาติสิทธิ์ได้นะแต่ว่าก็จะเป็นอวชาติสิทธิ์นะในความสนุกสิทธิ์มีครูเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้จักระมัดระวังสํารวมที่จะไม่ทําให้ท่านได้เสียใจหรือทําให้เป็นการเสรื่อมเสียต่อชื่อเสียงของท่านไม่ให้ใครมาบอกเนี่ยโอ้สิทธ ลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนแบบนี้หรือถ้าเมื่อใดก็ตามมีคนพูดแบบนี้นะีมันก็กลายเป็นเครื่องเสื่อมเสียต่อเกียรติคุณของครูบาอาจารย์ของเราเราก็ต้องนะตั้งใจให้ดีนะที่จะไม่ให้มีคนพูดเช่นนั้นได้แต่ถ้าเข้าใจผิดนั่นก็เป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่แต่ถ้าเกิดสิ่งที่เขาเห็นนั้นเนี่ยมันถูกว่าเรามันทําไม่ได้เรื่องจริงๆ แล้วเขาก็จะล้ำเลิกเป็นครูบาอาจารย์นี่มันก็นับก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียหายมากว่าเราทําให้ครูบาอาจารย์ต้องโมหมองชื่อเสียงท่านต้องโมหมองเพราะการกระทําของเราแต่ถ้าเมื่อก็ตามที่เราตระหนัก ว, ว่าเนี่เราเป็นศิษย์มีครูนะครูของเราเป็นครูที่ประเสริฐมากเราก็จะอย่างน้อยก็จะรักษาถ้าไม่เห็นแก่ชื่อเสียงของตัวเองก็อย่างเห็นแก่เนะกียรติคุณของครูบาอาจารย์มันก็จะเป็นเครื่องกระตุ้นทําให้เรานะ ตั้งมั่นในธรรมไม่ไม่เผลอเร่อไม่พังพราาหรือไม่ปล่อยใจไปตามกิเลสไม่ปล่อยให้ความหลงเข้ามาครอบงำงครูบาอาจารย์พูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวแต่ว่าลูกศิษย์นี่กับปล่อยให้ความหลงครอบงำจนกระทั่งกิเลสตัณหาเข้าม า, าขี่คออันนั้นย่อไม่สมควรฉันพวกเราเนี่ยตรหนักให้ได้นะว่าเราเป็นศิษย์มีครูที่จะต้อง เดินตามท่านเลยได้ให้ถึงที่สุดนะแต่ก็ต้องตระหนักนะว่าการเดินตามหรือตามรอยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเรียนแบบนะสิทธิ์มีครูก็จริงนะแต่ไม่ใช่เรียนแบบครูนะเพราะการเรียนแบบนี่มันสะท้อนถึงการใส่ใจแต่รูปแบบภายนอกจะเป็นท่าทางอาการวิธีการพูดหรือว่า การแสดงออกอันนั้นไม่ใช่ตัวเรานะแม้เราจะเป็นศิษย์มีครูเราก็ต้องเป็นตัวเราเองนะมีวิจารณญาณของตัวเราเองแม้ว่าในส่วนที่เป็นธรรมะเราเดินตามท่านอาศัยคําสอนท่านเป็นแนวแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งความเป็นตัวเราอันนี้ไม่ได้หมายถึงการเอาตัวมาเปศูนย์กลางนะหลงวงพ่อเทียนก็ไม่เคยสับสนนะที่จะให้หลวงพ่อคําเขียนเนี่ยมาอยู่ที่นี่ ขึนมาบนหลังเขาท่านบอจะขึ้นมาทำไมจะมาอยู่แบบหนูแบบจะมาอยู่แบบหนูแบบแบบคล้ายๆสัตว์ป่าได้อย่างไรเนะี่ยมันเป็นที่เล็กที่แคบอย่าให้ท่านไปสอนในเมืองนะจะมาอยู่ในป่าแบบนี้ไม่สมควรแต่หลวงพ่อท่านก็ตัดสินใจที่จะมาอยู่แล้วก็ไม่มีลูกศิษย์คนไหนที่จะที่จะ ปฏิบัติแบบหลวงพ่อในความหมายที่ว่ามาอยู่ป่าแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ตั้งสํานักอยู่ ใ, ใกล้ๆเมืองนะแต่หลวงพ่อท่านก็ตัดสินใจว่าเนี่ยนี่คือวิธีที่เหมาะกับท่านแล้วก็จะเป็นประโยชน์เพราอยากสงเคราะห์ชาวบ้านอันนี้ก็เป็นวความตเป็นตัวของตัวเองของหลวงพ่อคําเขียนถึงแม้ว่าท่านท่านจะสำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ท่านจะเชื่อฟังหลวงพ่อเทียนมากแต่เรื่องนี้ถ้าเป็นตัวของตัวเอง แล้วพวกเราทุกคนก็ได้อับอนิสงค์จากการที่หลวงพ่อท่านเป็นตัวของตัวเองในแง่นี้นั่นทำให้เรามีสถานที่ปฏิบัติที่สงบวิเวกถึงแม้จะไม่สบายแต่ว่าทําให้เกิดความสงบใจได้และทําให้การปฏิบัติของเราจเจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ได้ห น, นักอยู่เสมอนะว่าเราโชคดีที่เป็นศิษย์มีครูแล้วก็พยายามทำให้ให้ครูของเราได้ภาคภูมิใจ อร่าช่ายนี้กรเพิ่อมท่นี้กละพร้